ทั้งความหิวทั้งความยากลำบากในการทำมาหากินในการดำเนินชีวิตหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บนะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยังเด็กนะคนสมัยนีนะ้จำนวนมากนี่เรียกว่าไม่รู้จักความหิวโหวยนะความร้อนความหนาวก็ไม่ได้มารบกวน มากความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้รบกวนหรือว่าคุกคามมากนักจนกว่าจะอายุเข้าวัยชาราเนี่ย <S <s <uck> <S ก็เรียกว่ามีความสุขความสบายทางกายที่ทุกข์ก็ดีก็คือทุกข์ใจความทุกข์ใจทุกที่ใจก็จริงแต่ว่าไอ้เรื่องราวที่ทุกข์นี่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 แคนเคืองเพื่อนหรือคนรักนะที่ทําไม่ดีกับเราโกหกหักครั้งเราพอคิดไปถึงเรื่องแนวดียนี่ทุกเลยเศร้าเสียใจโปรดแค้นหรือไม่ก็พอเป็นนึกถึงเรื่องอนาคตทียงมาไม่ถึงก็กังวลขึ้นมาทันทีนึกถึงงานที่รออยู่นึกถึงลูกที่ ไม่รู้ว่าจะสอบ e n t ท a n ได้หรือเปล่าถามว่าจะสอบ e n t ท a n หรือข้า e n t r ท n นเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าอีกหลายวันยังไม่ได้สอบด้วยซ้ำแต่ก็ทุกไปซะละนะเกิดความกังวลหนักอ ก, ห น, กหนักใจขึ้นมาที่เป็นเพราะใจไปคิดถึงเรื่องอนาคตนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าลองพิจารณาดูนะความทุกข์ของคนจนวนมากเนี่ยเป็นเพราะจ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 เขาทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นกับเราเลยก็อาจจะมองไม่เห็นเขาอาจจะกำลังกังวลเรื่องลูกหรือว่าคุณคิดถึงเรื่องของสามีที่กาลังเจ็บกําลังป่วยเขาก็เลยไม่ไม่รู้ไม่ได้ยินไม่เห็นแต่เราก็คิดไปล่วงหน้าแล้วหรือปรุงแต่งไปแล้วว่าเขาไม่พอใจเรา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 อนนี้ก็เลยการมีการยิงกันฝนะ่ายหนึ่งมีมีดบางต่อยฝ่ายหนึ่งมีปืนก็คงเดาผลได้นะว่าบอกว่าเมียคนขายก็ตายไอ้คนยิงก็ติดคุกทั้งเรื่องนี่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะนะไม่ใช่เพราะว่านกมันขี้ใส่หัวนะแต่เป็นเพราะเจ้าตัวเนี่ยปรุงแต่งไปในทางลบ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 กลัวขึ้นมาผวาขึ้นมาถามถมาทุกไหมทุกทุกป้าอะไรทุกเพะการปรุงแต่งปรุงแต่งจากดีกลายเป็นลายเนี่ยนี่เราปรุงแต่งในทางลบความโกรธความเกลียดความกลั ว, ว, ว, ว, ว, วซึ่งทําความทุกข์ให้กับผู้คนนะมันก็มักจะเกิดจากการปรุงแต่งนะเสียมากทีเดียว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 ก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยทุกพ่าะอะไรทุกเพราะพ่อหรือแม่รักเราน้อยกว่ารักพี่รักน้องคนที่เป็นลูกก็ทุกข์เพราเห็นนี้เยอะจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่พอคิดเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทุกข์ได้ง่ายมากคนที่สวยก็ทุกข์นะพอไปเปรียบเทียบตัวเองกับดารานางแบบน ทั้งที่ตัวเองก็นะก็ไม่ใช่ขี้ดิ้วขี้เรศสวยแต่พอไปเปรียบ เ, เทียบ้าทุกทันทีนี่ก็เรียกว่าทูกเพราะความคิดนะมองไม่เป็นที่จริงมันยังมีมากกว่านี้ีกนะแต่ว่าเท่าที่เล่ามานี่ก็จะเห็นได้ว่าโอ้นะมันก็เป็นสาเหตุให้คนทุกได้มากมายนะกลุ่มจนกลุ่มอกกลุ้มใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ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 แทนที่จะมีความสุขทนันที่ดีใจก็ยังทุกข์เพราะคิดว่าตัวเองน่าจะได้20ล้านถ้าไม่ด่วนไปขายหุ้นเมื่อ2อสวันก่อนถ้าขายหุ้นวันนี้ก็ได้แล้วยีล้านทุกทันทีทั้งยี่สิล้านนี่ก็ไม่น้อยถึงจะได้ร้อยล้านก็ยังทุกข์นะถ้าเป็นนึกว่าเนี่ยฉันน่าจะได้สอง้อยหรือสามรอล้านอันนี้เพราะชอบเปรียบเทียบ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 พออ่อ น, นี่ก็ยกมือขอโทษเลยนะบอกว่าเนี่ยไอ่ข้าวที่ผมเอามาเนี่ยมันหมดแล้วนะไม่มีข้าวกินก็เลยต้องไปวัดไปกินข้าววัดอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลกินข้าววัดนี่ก็ต้องรอพระฉันเสร็จก่อนกินข้าวเสร็จก็ต้องล้างถ้วยล้างชามให้วัด ก็เลยมาไม่ทันหมอหมอได้ยินพ่อคนพ่อเด็กพูดงี้หมอก็รู้สึกผิดขึ้นมาเลยนะไปว่าไปว่าเขาทัา้งทังที่เขาเองก็น่าสงสารไม่มีเงินทีีจะแม้กระทั่งหาหาอาหารหาข้าวมากินเลี้ยงตัวจะกินข้าวโรงพยบบาบาลก็ไม่ได้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 พูดตำหนิต่อว่าอย่างนั้นในชีวิตประจำวันนี่มันมีโอกาสที่จะทำให้เรานะเผลอแบบนี้บ่อยๆเมื่อที่กำลังขับรถอยู่โนะดยความเร็วมีรถข้างหน้านี่ตอนที่กำลังจะแล่นสวนมาก็ตะโกนโบกเบกมาที่เราชี้มือชี้มื อ, ช, มอชี้ไม้ให้เราก็นึกว่าเขากาลังด่าเรา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 เคยมีคนหนงเขาเล่าว่าเนี่ยขณะที่เขาขับรถน ะ, ล, ะลัดเลาะไปตามเส้นทางภาคเหนือเนี่ยนะมันเป็นเขาอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็โค้งเยอะหว่างที่เขากำลังขับรถอยู่ก็เห็นรถทางข้างหน้าเนี่ยกำลังจะแล่นสวนมาก็ท่าทาง รถกระแสสายแสน า, า, ายจงกระทั่งเขาเองเนี่ยต้องหลบต้องหลีกนะเพราะไม่งั้นมันชนเอาถ้าไม่้าไม่พอคนขับรถคันนั้นเนี่ยอยู่ดีก็ตะโกนขึ้นมาว่าควายควายนะเขาโกรธมากเลยเพราะมาหาว่าฉันเป็นควายแกขับรถยังไม่ดีนะทายขนาดนั้นเลยมา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 ตัวเองนี่ทําไมไม่ยอมไม่หาไอ้พวกไฟฉายมาบ้างก็เลยพูดว่าไม่มีอคนตุ ก, กาที่มาเยื่ยงกระบอกเลยอ๋อไม่มีเหรองั้นเดี๋ยวอจะหามาให้นะเพราะว่าฉันมีอยู่อมีเหลืออยู่มีเผื่ออยู่คือเขาไม่ได้มาขอยืมนะเขามาเพื่อที่จะมาถามว่ามีมันถามว่ามาถามด้วยความหวงายว่าถ้าไม่มีเนี่ยเขาก็จะเอามาให้ เจ้าของบ้านพอรู่นนี้ก็สะอึกเลยนะนะเพราะไปมีคติขเขาว่าเขาจะมารบกวนเราที่จริงเขามาเพราะความห่วงใยต่างหากนะคนในในเมืองนะเดี๋ยวนี้ก็คิดแบบนี้กันเยอะเวลาใครมาถามแบบนี้ก็คิดว่าเขาจะมาขอนะแต่ว่าที่จริงก็จะมาให้ก็ได้ก็จะมาให้ยืมก็ไดนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรา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 ถ้าเราทําตามคงพิทุกอย่างนี้ไม่แย่หรือแล้วท่านก็ไม่สึกให้ผู้ชายคนนั้นก็พระรูปนั้นก็ทาท่าไม่พอใจวันรุ่งขึ้นทำวัดเช้านะหลวงพ่อก็มาทำวัดเช้าตั้งแต่ตีสี่ครึ่งพระรูปนั้นก็รออยูนะ่พอเห็นหลวงพ่อมาก็รีบเดินมาเลย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 ชูรักของเขาวันนะคือที่มาบวชนี่ก็เพราะมีปัญหาเรื่องนี้แหละพี่ชายก็เลยบังคับให้มาบวช แ, แต่ว่าพระหนุ่มนี่ก็ตลอดเวลาที่เดินยงกรมก็นึกแต่เรื่องการแก้แค้นแต่ว่าศึกไม่สําเร็จนะเพราะว่าหลวงพ่อทักทวงไว้ทีแรกเขไม่พอใจนะแต่ว่าตอนหลังก็มาได้คิดว่าเออนะ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 คำนี้ก็พูดเท่านี้ก่อนน ะ, ะกรับมาพร้อมกัน